ความยากง่ายในการทําความดีสมัยก่อนท่านผู้คงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่ขมใจได้ยากที่สุดเสียก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สําคัญเสียแล้วย่อมจกเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านของจือชื่อฝานฉื่อได้ถามท่านอาจารย์ว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านของจือตอบว่า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 เมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้เแกนี้ก็จะยึดพัญญาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าชูเกิดความสงสารสามีพัญญาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่เก็บพอาไม่ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทาให้สามีพัญญาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนาพัญญาระบุตรไปจานาไว้ ได้เงินมาพอประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืนพัญยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบางเอิญท่านผู้เท่าจางรู้เรื่องเขามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึงสิปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกก็จึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึง่งทั้งท่านผู้เท่าชูและท่านผู้เท่าจางล้วนแต่ได้กระทาในสิ่งที่ทาได้ยากยิ่ง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 และอนาคตของเด็กสาวนี้เสียโดยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไว้สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เท่าทั้งสามท่านนี้ล้วนแต่ทำในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟาดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้งสามทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นแน่แท้ส่วนคนที่มีเงินมีอานาจนั้นถ้าจะกระทาความดีก็ย่อม ง, ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทั้งเงินและอานาจ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 ทันที่สุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราหาปลาใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็นิ่งเสียไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะนาพฤติกรรมของเขาไปสันเสริญจนทั่วท่านเองก็ทำตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันจนกาลเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปี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 ลูกจะต้องคอยสังเกตว่าผู้นั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบรับเอาความดีนั้นมาใส่ตนเถิดอย่าได้รีรอเลยลูกจะต้องรู้จักชมเชยสนเสริญความดีงามความสามารถของผู้อื่นให้แพร่ไพศาลไปอย่าได้มีจิตปริษยาในชีวิตประจาวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทาอะไรสักอย่าง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 สนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีเพราะมั่นอย่างไรยกนั่นย่อมมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมียกเร้นอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาจุรนายเอาความเป็นหยกออกมาจากหินและสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสําหรับห้องเตะและคุณนางกลายเป็นสัญลักษณ์ ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความบุญหนักสักใหญ่ยามที่ห้องเต้ออกคุณนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณนางเข้าเฝ้าห้องเต้ก็จะต้องถือหยกพระราชทานไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อห้องเต้หยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่ายกมีความงามและความสาคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือมนุษย์เอง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 ยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบขมเหงคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่กลัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นที้ปากคนชั่วที่ชอบวิพากวิจารคนผิดผิดเพราะฉะนั้นเมื่อลูกพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็จงช่วยปกป้องคนดี และช่วยชีย้ทางให้คนชั่วกลับใจเป็นคนดีเสียนี่เป็นมหากรุชนที่ลูกจะต้องทําให้ได้ข้อสชี้ทางให้ผู้อื่นทําความดีนั่นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลธรรมประจําใจอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างที่จะไม่มีเลยนั่นคงหายากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวจน์อยู่กับการแสวงหาลาบยศเงินทองชื่อเสียง โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมทาให้ต้องตกอยู่ในความหายยนะนถ้าลูกพบคนช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาชุดเขาให้พ้นจากความหายยะนาให้จงได้ดุดคนฝันร้ายลูกลุกเขาให้ตื่นจากความฝันให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแกเขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้เมื่อครั้งราชว ง, งศ์ถังริศสกราช618ถึง907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 ที่หจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความขับขันได้อย่างไรเพราะกรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไอ่ว่ากับใครหากลูกพบเห็นคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบครอบเพื่อมิให้การช่วยนั้นไม่ประสบความสําเร็จท่านชุยจื่อซึ่งเป็นขุนนางในราชวงศ์หมิงในปลายสมัยพระเจ้า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 ให้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทําความดีร่วมกันใครมีเงินก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงอันึกกาลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นหากใครมาว่าร้ายลูกก็จงอย่าใส่ใจถ้าเราทําดีโดยสุจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยปกป้องลูกเสีีลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรค ใ, ใดๆก็อย่าได้วางมือเป็นอันขาด อย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ให้มันบริจาคอย่างไรคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมายพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแนะนำให้รู้จักให้ทานซะก่อนการให้คือการเสียสละท่านที่บรรลุธรรมะแล้วท่านเสียสละได้หมดทั้งอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอก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 แด่พระองค์ยงอย่างถูกต้องแล้วพ่อกาเคารพผู้มีอาวุโสอย่างไรในครอบครัวย่อมมีบิดามดารดาพี่ชายพี่สาวที่มีอาวุโสกว่าเราเราต้องเคารพรักรู้จักรณิบัตเอาใจใส่ดูแลทุกสุข